แล้วก็พิจารณาไปให้ถึงว่าศัพท์ที่ต้องเกิดในอบายยปูเนี่ยเพราะประกอบกรรมทําชั่วไว้มากสร้างอคุศลมากก็ต้องลงอบายยปูเราพิจารณาอย่างนี้ก็จะใช้ชีวิตได้ถูกต้องและก็จะหลีกเลี่ยงจากการประกอบกรรมทําชั่วต่างๆหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบไว้เพื่อที่ชีวิตจะได้ไม่ลงสู่อบายยปูเนี่ยเป็นการพิจารณาให้เกิดความสังเวชเกิดธรรมสังเวชประการที่ห้า การที่หกก็คือทุกข์ในวัฏจัทุกข์ในวัฏจัที่เป็นมูลในอดีตที่เป็นอตีตะอาธธาัตตาตามปดของปฏิจจสมุปบาทนั้นให้พิจารณาอยู่บ่อยๆอวิชากับสังขารเนี่ยถือว่าเป็นอดีตเป็นเหตุหนึ่งที่ทํำให้สัตว์ทั้งหลายท่องเที่ยวในวัฏจัสงสารให้พิจารณาถึงทุกข์ในในวัฏจัคือระหว่างที่เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ย มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราต้องท่องเที่ยวอย่างนี้ที่เป็นอดีตแล้วก็ประการที่เจ็ดให้พิจารณาทุกในวัฏฏะที่เป็นอนาคตทุกที่เป็นวัฏฏะในอนาคตหมายถึงว่าอนาคตจะต้องเกิดอีกเนี่ยมีอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดอนาคตต่อไปปัญหาอุปาทานต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันตลอดจนกรรมภพที่เราได้กระทากันอยู่เนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดอนาคต ให้เกิดวัฏฏะสงสารในอนาคตต่อไปแล้วก็ประการที่แปดให้พิจารณาถึงทุก์ในวัฏะที่เป็นปัจจุบันทุกในวัฏฏะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคือความทุกประเภทไหนท่านลรัวไว้ว่าหมายถึงทุกที่มีการสอกหาอาหารเป็นต้นเป็นมูลแห่งความทุกในปัจจุบัน เพราะว่าในปัจจุบันเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องขวนขวายในการเลี้ยงชีพขวนขวายในการสแสวงหาอาหารเนี่ยมาเลี้ยงชีตเป็นพระเชา้าเพ่งก็ต้องออกบินธบาตแล้วต้องอุ้มบาตรออกเดินไปตามตรอกตามซอกต่างๆบางทีก็เดินไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยสะอาดบางทีก็ต้องไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีไปได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยจะดีไปได้กลิ่นที่ไม่ค่อยจะดีหรือได้สัมผัส สิ่งต่างๆที่ไม่ค่อยจะดีก็ต้องไปไปเพื่ออะไรเพื่อสอะอาหารสาะสแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีตแม้ในปัจจุบันนี่เราจะมีการสแสวงหาอาหารในลักษณะต่างๆกันเราก็จะเห็นความทุกข์อันนี้ประการหนึ่งว่าเช้าขึ้นมาเราต้องไปทำงานท่านทั้ ง, ทงหลายก็ต้องขวนฝายแล้วออกไปทำงานเช้าเ้าเราจะเห็นได้ว่ารถเมย์แน่นไปหมดรถเต็มถนนไปหมด ต่างคนต่างกระวีกระวาดออกจากบ้านน่าเราไปกันทาไมก็ไปสแสวงหาอาหารนี่เองไปสแสวงหาเครื่องดำรงชีวิตของตนเองเนี่ยให้เป็นอยู่เนี่ยเป็นความทุกข์อันหนึ่งในวัฏ ส, สงสารถ้าไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นว่าการดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มันเป็นทุกข์เรามองไม่เห็นทุกข์ประเภทนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราพิจารณาสังเวควัตถุเหลา่านี้เอาไว เมื่อพิจารณาถึงสังเวควัตุเหล่านี้แล้วเกิดธรรมสังเวชความขยันหมั่นเพียรหรือความขวนขวายในทางปัญญานั้นก็จะเกิดขึ้นที่เราเคยท้อแท้ไม่สนใจหรือมีความเบื่อหน่ายในชีวิตก็จะเกิดการขวนขวายขึ้นมาว่าเราจะต้องขวนขวายหาทางพ้นทุกข์เราจะต้องขวนขวายแสวงหาปัญญาแล้ว สิ่งใดที่เป็นธรรมะเป็นสัจธรรมจะต้องสแสวงหาสัจธรรมอันนี้แทนที่เราจะใช้ชีวิตหมกมุ่นกับสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเราก็จะได้ใช้ชีวิตเนี่ยสแสวงหาสัจธรรมว่าอะไรคือสัจธรรมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยปฏิบัติมาเช่นาการสละราชบัลลังก์ออกมาออกบวชเพื่อสแสวงหาสัจธรรมอันนั้นซึ่งเราก็ถือว่าเป็นการสละสิ่งที่ไม่มีสาระ มาสแสวงหาสิ่งที่มีสาระการที่เราได้พิจารณาสังเวยวัตถุทั้งแปดประการนี้บ่อยๆเป็นเหตุหนึ่งที่จะทำให้จิตนี้เกิดความรู้สึกขวนขวายในทางปัญญาขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่เกิดความท้อแท้ใจเนี่ยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราขวนขวายในทางปัญญานี่หมายถึงจิตที่เกิดความเบื่อหน่าย เกิดความเกลียดครา้านท้อแท้ดิเราจะทําจิตให้ร่าเริงได้อย่างไรจิตที่ร่าเริงเนี่ยหมายถึงจิตที่ที่ไม่หมุ่นหมองจิตที่ไม่ท้อแท้แต่เป็นจิตที่รู้สึกร่าเริงร่าเริงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงจิตที่อยู่ในภาวะที่เป็นโสมนะัสแล้วก็ประกอบด้วยโมหธรรม จิตที่เป็นโสมนัสและประกอบด้วยโมหะธรรมเนี่ยเช่นอย่างความร่าเริงความสนุกสนานจากการร้องราทําเพลงหรือการเต้นราขับร้องอะไรต่างๆอันนั้นเป็นความร่าเริงที่ประกอบด้วยโมหะธรรมแต่ว่าความร่าเริงของผู้ที่มีปัญญาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงร่าเริงอย่างนั้นแม้จะไม่มีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเครื่องกระตุน้นเตือนแต่ว่าจิต ก, ก็มีความรู้สึกร่าเริงไม่เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายแต่มีความรู้สึก ร่าเริงต่ออารมณ์เช่นนั้นเนี่ยตลอดเวลาเราจะทำอย่างไรจิตเนี่ยจึงจะร่าเริงได้จิตจะร่าเริงขึ้นมาได้นี้ท่านตรัสว่าต้องมันพิจารณาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่หนึงน่งเนืองคือจะต้องพิจารณาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยอยู่หนึงน่งเนืองความร่าเริงเนี่ยจึงจะเกิดขึ้น อย่างบางครั้งเรารู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายต่องานที่เราทำต่อธรรมะที่เราปฏิบัติเราก็นึกถึงพระรัตนตรัยไว้การนึกถึงพระรัตนตรัยไว้เนี่ยจะเป็นเครื่องช่วยได้อย่างมากที่จะทำให้เรานี้เกิดความรู้สึกร่าเริงขึ้นไม่เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายอย่างในสมัยที่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยจะมีจังหวะหนึ่งที่มีความรู้สึกเบื่อ บางทีก็มานเข้าแทรกทันทีวะ่ะมาปฏิบัติอยู่ทําไมมานี่จะมากระซิปในใจวะ่ะมาปฏิบัติอยู่ทําไมนั่งหลับหูหลับตาอยู่ได้เขาแสวงหาความสุขความร่าเริงกันออกอะไรดีเราควรจะไปหาความสุขกันให้เต็มที่เสียก่อนมัวมานั่งหลับตาอยู่ได้เนี่ยมานันี่จะมากระซิปในใจเราทําให้เรารู้สึกนึกคิดอย่างนั้นแล้วก็อยากจะทิ้งการปฏิบัติอันเนี้ไปวะ่ะไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้มีความเบื่อหน่ายอย่างนี้เราก็ต้องนึกถึงพระรัตนาตรัยไว้ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนึกถึงพระพุทธองค์เป็นอารมณ์นึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ถ้าเรานึกถึงพระรัตนาตรัยอันนี้อยู่เสมอนเนืองๆแล้วถึงบางครั้งเนี่ยจะเบื่อหน่ายเราก็พอที่จะสร้างกำลังจิตให้เกิดขึ้นได้ จิตรู้สึกท้อแท้เราก็ปลอบจิตด้วยวิธีนี้ด้วยวิธีนึกถึงพระรัตนตรยัยถ้านึกถึงพระรัตนตรัยแล้วจิตนี้ก็จะร่าเริงขึ้นไม่เกิดความรู้สึกเศร้าหมองเกิดความรู้สึกร่าเริงในการที่จะปฏิบัติหรือในการที่จะประกอบกรรมดีเนี่ยขึ้นมาทันทีถ้าไม่นึกถึงพระรัตนตรัยแล้วเพราจิตเบื่อหน่ายเข้าเราก็ปฏิบัติธรรมไม่สำเร็จ อันนี้แม้แต่การประกอบกิจการงานต่างๆในทางโลกก็เหมือนกันหรือในทางธรรมก็เหมือนกันกิจการงานทั้งหมดที่แต่ละท่านได้ทำอยู่บางครั้งเนี่ยผู้ที่ทำงานจะรู้สึกท้อแท้ใจบางทีเบื่อหน่ายเราจะพบบุคคลผู้ทำงานหลายๆท่านและเราจะรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกัน เช่นคนที่ทำงานมากๆบางคนบอกแม้ชักเบื่อ<ม>เบื่องานซะแล้วบอกทำไมถึงเบื่องานละ่ะมันท ำ, ทำไปแล้วมันก็รำคาญบางคนบอกแ่าเราก็อุตส่าห์ทำดีออกจะตายไปแต่ทำไมมันถึงมีอุปสรรคมากมายอย่างนี้บางคนก็บอกว่าไม่อยากจะทกากรรมดีซะแล้วแล้วผลสุดท้ายตเรศทอดทิ้งไม่ทำความดีที่ทำไปก็ไม่สาเร็จ บางคนตั้งใจทํางานดีขวนขวายในการประกอบกิจการงานดีมีประโยชน์ต่อสาธารณชนแต่พอทําทําไปเข้าจะมีจังหวะเบื่อหน่ายพอพบอุปสรรคเข้าเบือ่อและผละสุดท้ายไม่อยากทําบางคนก็บอกว่ากลัวจะทนต่ออุปสรรคไม่ไหวกลัวชีวิตจะมีอันตรายกลัวคนอื่นจะเดือดร้อน จะทำความดีอะไรสักอย่างก็เลยไม่กล้าจะทำเนี่ยอย่างนี้ก็มีพสุดท้ายความดีที่ทำก็ไม่สำเร็จอาตมาเองมีหลายท่านมาถามบอกว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงเห็นว่าทำงานไม่รู้สึกเหนื่อยบางคนเขาบอกเห็นท่านแล้วเหนื่อยแทนท่านเคยเหนื่อยบ้างหรืรอเปล่าอาตมาเคยถูกถามบ่อย บางคนก็มาถามเอาตรงๆบางทีก็มากระซิบท่านท่านท่านรู้สึกกลุ่มใจบ้างไหมเนี่ยท่ถามรู้สึกกลุ่มใจบ้างั้มมีที่วิทยาลัยมีจิตกรคุณอังคารกระยาณภพง์ไปช่วยเขียนพระพุทธรูปจิตกรรมฝาผนังอยู่ตอนเย็นๆอาตมานั่งอยู่ที่สนามหญ้าแกก็เข้าเขยบเข้ามาท่านท่านท่านรู้สึกกลุ่มใจบ้างไมเนี่ย ผมดูแล้วแม้งานอย่างนี้ท่านน่ากลักรุ่มใจตายบอกว่าอาตมาเฉยเฉยไม่กลุ้มอ่ะต้องแม้ผมทํำไมกลุ้มจังเขียนภาพเนี่ยเดี๋ยวช่างมันทําหลกหูผมก็ราคาญกุดหงิดผมอยู่ไม่ได้ผมต้องหนีไปพักๆแล้วก็มาทําใหม่ใครไปมองตาของขวางหน่อยแกก็โมโหเดี๋ยวบอกผมอยู่ไม่ได้ผมไม่ทําอ่ะผมต้องหลบไปสักพักแล้วผมก็มาเขียนต่อใหม่ท่านไม่กลุ้มใจบ้างเลยเนี่ยบอกว่าไปกลุ้มทําไมอ่ะ บอกแม่งานมันยุ่งอย่างเนี้ยและท่านต้องรับผิดชอบหลายอย่างการปกครองเอ่ยหาเลี้ยงชีวิตคนตั้งหลายร้อยชีวิตไหนจะต้องทํางานให้เจริญไหนจะต้องมีอุปสรรคร้อยแปดพันอย่างเนี่ยแล้วยังควบคุมก่อสร้างอีกท่านไม่กรุ่มใจแย่เลยอาตมาก็บอกว่าไอ้กรุ่มนะ่ะบางครั้งมันก็มีอารมณ์เหล่าเนี้ยเราอย่าไปยึดถือมันถ้ายึดถือแล้วเราก็เป็นทุกข์ ก็เลยถือโอกาสสอนแก่ด้วยบอกถ้ายึดถือมากเราก็เป็นทุกข์อย่าไปยึดถืออะไรเลยแต่ไปถือมากเราก็เป็นทุกข์แกก็เริ่มชัดเย็นลงแกก็บอกว่านั่นสิผมเองก็เป็นทุกข์เพราะยึดถือมามากยึดถือมากมันเป็นทุกข์จริงๆแกก็ยอมรับบอกเราอย่าไปยึดถือมันมากและก็การไม่ยึดถือเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนสิ้นอุปาทานแล้วไอ้อุปาทานของคนนะ่ะยังมีอยู่ ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนเราก็ยังมีอุปาทานเราอาจจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ได้ซึ่งไอ้สิ่งที่เรายึดถือเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยไม่พ้นไปจากความทุกข์เพราะความยึดถือส่วนนี้แต่ว่าบางครั้งถ้าเรารู้สึกเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรจิตจึงจะไม่เบื่อหน่ายอันนี้เป็นปัญหาสาคัญมากกว่าที่เราจะต้องแก้ไข ไอเรื่องเบื่อหน่ายนะทุกคนก็เบื่อทั้งนั้นทำงานจาเจาก็เบื่ อ, อย่างอาตมาทงานมากๆบางครั้งก็เบื่อแต่ว่าทำไมจึงทำอยู่ได้และเราจึงทำมาได้ก็เพราะว่าเมื่อมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกมีอุปสรรคเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นโยมบางคนเป็นห่วงก็ มาคอยให้กำลังใจบอกว่าทนายจานอย่าอย่าท้อถอยนะทำไปเถอะอย่าท้อถอยอย่างนี้ยบางคนก็มาให้กำลังใจบางทีไปได้ฟังคนเขาให้ร้ายมาบ้างบางทีไปอ่านหนังสือพิมพ์เขาเขียนจะบิดเบือนเจตนาเราให้เป็นการเมืองบ้างบางคนก็คิดว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ท้อแท้เบื่อหน่ายก็ทิ้งงานหมดบางทีก็มากระซิบบอกว่าอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้เป็นของธรรมดา บางทีโยมก็มาสอนอาตมาเหมือนกันน่ะอาตมาก็บอกว่าเรื่องเนี้โยมไม่ต้องเป็นห่วงอะ่ะเพราะว่าเป็นของธรรมดาและก็ที่เราอยู่ได้เราทำงานมาได้ป่าฟันอุปสรรคมาตั้งแต่ต้นซึ่งบางทีเรื่องกระไรร้ายเหมือนกันน่ะบางทีก็อาจจะเป็นภัยต่อตัวเองอย่างมากเพราะว่าการทำงานนี่ ไม่ใช่หมายความว่าความดีนั่นจะไม่มีอันตรายเราเรียนรูป้ประวัติศาสตร์มาก็รู้เหมือนกันว่าบางครั้งต้องมีอันตรายแต่ว่าไม่มีใครที่ทำความดีแล้วจะไม่ชนะอนธรรมชนะเ่นนั้นนะ่ะแต่ว่าจะชนะในในศตรวรรษนี้หรือศตรวรรษหน้าเท่านั้นเองต้องว่าแบบในศตรวรรษแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องชนะ ความดีก็ต้องเป็นความดีอยู่มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สัจธรรมก็ต้องเป็นสัจธรรมอัตมาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าบางครั้งถ้ามันเกิดอะไรที่รุนแรงขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่อยู่ได้ในปัจจุบันและที่ทำงานได้เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่นึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยเพราะว่าพระพุทธองค์ท่าน ประสบอุปสรรคเราเนี่ยมากกว่าเราเราเรียนพุทธประวัติหรือศึกษาในในพระไตรปิฎก เ, าเราจะพบว่าแม้แต่พระบรมศาสดาซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดบุคคลเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์เหลือเกินแต่ว่าถึงอย่างนั้นท่านก็หาได้พ้นจากผู้กล่าวร้ายให้ร้ายผู้ริษยาท่าน ไม่ไม่พ้นแม้สาวกของท่านเองที่คิดทำลายร้างก็ยังมีสาวกของท่านเองที่พิเรนพิเรนก็แยะท่านก็ยังต้องมีอุปสรรคอย่างนี้ซึ่งมากกว่าตั้งเราตั้งเยอะแยะพอพิจารณาถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยแล้วเราก็หวนมานึกถึงตัวเราแล้วเราล่ะคือใครเราเองยังไม่ใช่เป็นอารหันผู้บริสุทธ บา ร, รมีธรรมก็ยังน้อยกว่าคุทธองค์เราจะหลีกเลี่ยงสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี้ยพ้นได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นโลกธรรมก็หนีไม่พ้นฉะนั้นเมืน่หนีไม่พ้นในฐานะที่เราก็เกิดมาเป็นสัตว์โลกประเภทหนึ่งซึ่งก็มีสิท ธ, ธิจะอยู่ในพื้นโลกนี้ได้เหมือนกันแล้วก็มีสิทธิที่จะประกอบกรรมดีได้อย่างเต็มที่เราจะไปท้อแท้ทําไมเราจะไปหนีทําไมพอ น, นึกถึงอย่างนี้เราก็ต้องทําเดี่ยเรานึกถึงพระพุทธองค์แล้วเราก็จะรู้สึกว่า เพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีอุปสรรคมากกว่าเราตมาเคยให้คติหลายๆท่านที่ทำงานแล้วก็มีอุปสรรคบกเบือนละเกินไม่อยากจะทำอะไรและอยากจะอยู่เฉยๆส่วนลมมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันบางคนก็เลยทอดอะไรไม่ยอมทำอะไรแล้วก็ที่ไม่ทำอะไรนะ่ะก็เพราะว่าเบื่อนายต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เลยไม่อยากจะทำอะไรตมาบอกคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูก คนเราเกิดมาต้องทำแล้วก็เรื่องเรื่องอุปสรรคเนี่ยมันเป็นของธรรมดาเหลือเกินเราถือว่ามันเป็นของสนุกก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอะไรก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของของโลกที่ทุกคนจะต้องประสบถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์ในอดีตเราก็จะรู้สึกว่าการทำงานต่างๆเนี่ย ถึงแม้จะมีอุปสรรคก็ยังน้อยน้อยมากน้อยกว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่ทำมามากเนี่ยเราก็ทำได้นี่มีหลายท่านมาถามว่าไม่รู้สึกเหนื่อยก็เหนื่อยถ้าไม่จะไม่เหนื่อยเท่าทำงานเหนื่อยจะตายไปแต่เราก็ต้องทำแล้วก็ที่ทำเนี่ก็เพราะเหตุนี้และที่เราทำได้ก็เพราะว่าเรานึกถึงพระรรมตรัยเป็นอารมณ์บางทีเราพึ่งใครไม่ได้เลยความทุกข์บางอย่างเนี่ย พึ่งใครไม่ได้และความทุกข์ในใจเราบางอย่างคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรฉะนั้นผู้ที่ปลอบใจเราได้เป็นอย่างดีนะ่ะก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ต้องค้นคว้าพระไตรปิฎกอ่านพระธรรมและก็นำธรรมะมาพิจรารณานึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระอริยเจ้าในอดีตเนี่เราก็สามารถที่จะปลอบจิตของเราเองได้ ด้วยวิธีดังกล่าวเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าจิตเราไม่แช่มชื่นก็ขอให้เรานึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์บ่อยๆศึกษาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าให้มากศึกษาพระธรรมให้มากและศึกษาถึงชีวประวัติของพระอริยสงฆ์แต่และองค์ที่ปฏิบัติผ่านสาสน ก, กิตมามากในอดีตเราต้องศึกษาชีวิตท่านเหล่านี้แลวเราก็จะรู้สึกกล้าเริ รู้สึกร่าเริงใจเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ทําจิตให้เกิดความร่าเริงในสมัยที่จิตนี้ไม่ร่าเริงหรือปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบเพราะคนถ้าหากว่าจิตเสียเสียอย่างเดียวแล้วยังอื่นเสียหมดถึงอย่างไรก็อย่าให้จิตเสียยังไงก็ขอให้มีกําลังใจเนี่ยอยู่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่เป็นไรอะ่ะ ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรมีอุปสรรคแค่ไหนก็ตามขออย่าให้กําลังใจเสียให้เราประคับประคองจิตของเราไว้ให้ดีเราทําได้แล้วก็เราเชื่อว่าอุปสรรคนะั้ต้องพ่ายแพ้ต้องพ่ายแพ้ต่อสุดจริตธรรมแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจดีเนี่ยต้องต้องชนะอุปสรรคแต่ก็วิธีฝึกฝนจิตให้ดีก็คือต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เนี่ยนึกถึงพระรัตนตรัยไว้เป็นที่พึ่งที่ประเสริฐเพราะว่าความทุกข์บางอย่างคล้ายๆก็ช่วยปลอบเราไม่ได้เพาเขาไม่รู้ว่าสาเหตุของทุกข์เพราะอะไรยิ่งความทุกข์ในใจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะเที่ยวไปบอกคนน้นคนนี้ว่าเราเป็นทุกข์ก็บอกไม่ได้นอกจากว่าเมื่อมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องเอาพระรัตนตรัยเนี่ยมาระงับดับทุกข์ไว้จิตท้อแท้เราก็เอาพระรัตนตรัยเนี่ย มาปลอบใจเราให้เกิดความร่าเริงเกิดความขวนขวายขึ้นในการที่จะกระทำต่อไปแล้วเราก็ทำได้เนี่เป็นวิธีที่ฝึกจิตวิธีหนึ่งที่ท่านตรัาว่าปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบอนี่เป็นวิธีที่จะทำให้จิตเกิดความแช่มชื่นขึ้นด้วยการนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ท่านทั้งหลายที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรม บางครั้งในเรารู้สึกเบื่อเบื่อหน่ายในการปฏิบัติหรือเบื่อหน่ายในการที่จะประกอบการกุศลก็ขอให้เรานึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยวัยนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์พระรัตนตรัยเนี่ยจะช่วยเราได้แล้วก็จะทําให้เราเกิดความขวนขวายขึ้นรู้สึกว่าไม่เบื่อหน่ายและอีกประการหนึ่งให้นึกถึงกุศลเพราะว่าการนึกถึงกุศลเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นทางหนึ่งที่จะ ทำให้เรานี้ประกอบกิจาการงานต่างๆได้สำเร็จอย่างผู้ที่ปฏิบัติธรรมไปสู่ฌานแิญญาบางคนเบื่อว่าเอสสมาธิก็ไม่เกิดนั่งมาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นอะไรเลยจะกำหนดนามารูปยานก็ไม่เกิดบางทีก็เบื่อแล้วก็ท้อแท้ไม่อยากปฏิบัติอันนี้เราจะต้องพยายามปลอบใจเราไว้ถึงแม้ว่า จะไม่เกิดสมาธิถึงแม้จะไม่เห็นนามารูปเราก็ปฏิบัติเพื่อกุศลเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยเป็นภาวนากุศลอย่างหนึ่งกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญภาวนานี่สูงกว่ารักษาศีลสูงกว่าบริจาคทานถ้าเราได้ปฏิบัตินะได้อันดิสงสูงกว่าทานสูงกว่าศีลมากมายทีเดียวเราพนึกถึงเอากุศลไว้ไว่ายังเป็นปัจจัยแก่เราได้ แม้จะทำสิ่งอื่นก็เหมือนกันให้นึกถึงกุศลให้มากเนี่ยสิ่งนี้เป็นกุศลแล้วก็บางครั้งอุปสรรคก็เป็นความดีไม่ใช่เป็นความชั่วร้ายอะไรเป็นผลดีแก่บุคคลเพราะว่าทำให้เกิดความคิดอ่านแก้ไขอุปสรรคทำให้เกิดความเข้มแข็งเกิดความบากบัน่นพยายามเกิดความระมัดระวังรอบครอบดีขึ้นเกิดความสารวมดีขึ้น สิ่งทั้งหลายเหรานี้ยก็เป็นความดีอันหนึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายถ้าเรารู้จักพิจารณาแล้วก็เป็นความดีเพราะว่าอุปสรรคนั้น อ, อาจจะเป็นบทเรียนอะไรบางสิ่งบางอย่างแก่เราก็ได้หรืออาจจะมาเพิ่มพูนกําลังความภาคเพียนของเราให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้ซึ่งบางครั้งถ้าเรารู้จักใช้มันก็เป็นประโยชน์แก่เราเดี่ยเราต้องนึกถึงกุศลเอาไว้ก็ทําอะไรก็ตามถ้าหากว่า ไม่นึกถึงบุญกุศลแล้วเราก็ไม่อยากจะทําแต่ถ้านึกถึงกุศลแล้วเราต้องทําเพราะว่ากุศลนี่มีมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดในโลกเพราะบุญกุศลนี่เป็นเป็นสมบัติประจําชีวิตนาวที่จะนําติดตัวไปได้แล้วก็เป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานถ้าไม่มีกุศลอันนี้แล้วจะไปมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปสู่สุคติก็ไม่ได้ เราก็ต้องนึกถึงกุศลไว้จะทำอะไรทั้งหมดถึงแม้จะเหนื่อยยากเราก็ต้องนึกถึงบุญกุศลว่าอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่เราต้องทำแล้วเราก็จะทำได้สำเร็จในเรียกว่าปลอบจิตในสมัยที่ควรปลอบหรือว่ายังจิตให้ร่าเริงในสมัยที่จิตเกิดความหดหู่ท้อแท้เราก็ปลุกจิตนี้ให้เกิดความร่าเริงขึ้น ซึ่งเป็นอัปนาโภสนข้อที่หกสำหรับอัปนาโภสนข้อที่เจ็ดกับข้อที่แปดคือคำว่าเพ่งจิตในสมัยที่ควรเพ่งเว้นบุคคลที่งอนแงน่นและข้อเกาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตอันมั่นคงทั้งสามข้อนี้มีความกระจางชัดอยู่แล้วคือที่ว่าเพ่งจิตในสมัยที่ควรเพ่งเนี่ย หมายถึงว่าสมัยใดที่จิตเกิดสมาธิอย่างแรงกล้าขึ้นจิตนั้นไม่ปราศจากความแชื่มชื่นมีสภาวะตรงต่อสมถะวิถีหรือตรงต่อวิธีแห่งสมถะแล้วเราก็ต้องประคองจิตนั้นอยู่ตลอดเวลาต้องเพ่งจิตอ น, นั้นอยู่เสมอในเรว่าเพ่งจิตในสมัยที่ควรเพ่ง ส่วนเว้นบุคคลที่งอนแง่นหมายถึงว่าการที่เราจะมีสมาธิจิตดีนั้นเราอย่าพบคนที่มีจิตงอนแง่นคนที่มีจิตงอนแง่นเนี่ยคือคนที่มีจิตไม่แน่นอนคนประเภทไหนที่มีจิตงอนแง่นถ้าบอกว่าบุคคลใดก็ตามไม่เคยขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทา บุคคลที่ไม่เคยสู่เนกขมมะปฏิปทาหรือผู้ที่ขวนขวายในกิจต่างๆเป็นอเนกประการมีจิตฟุ้งซ่านบุคคลประเภทนี้คือคนที่มีจิตงอนแง่นที่ว่าบุคคลผู้ที่ไม่เคยขึ้นสู่เนกขมมะปฏิปทานั้นคำว่าเนกขมมะปฏิปทานเนี่ยเนกขมมะนี่แปลว่าการปลีกตนเองออกจากการผัวพันในกาม เรียกว่าเนคขมมะหรือที่เราเพ่งพิ่นิดถึงอาการว่าการปลีกตนเองออกจากกามนั้นก็คือการออกบวชอันนี้เรียกว่าเนคขมมะบุคคลที่มีเนคขมมะปฏิปทานนั้นก็คือผู้ที่มีความผลขวายไม่หมกมุ่นอยู่ในกามารมณ์ต่างๆบุคคลผู้นี้เราเรียกว่ามีเนคขมมะปฏิปทาเช่นผู้ที่มีความผลขวายในการที่จะบวชในการที่จะอยู่คนเดียว หรือในการที่จะให้พ้นไปจากความกลัวพันเหล่านี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือเนกขมมะปฏิปทาแต่ที่ว่าเป็นผู้ขวนขวายในกิจเป็นอนเนกก็หมายถึงว่ามีกิจธุระมากคนที่มีกิจธุระมากนี่ท่านก็บอกว่าคนปฏิบัติจะไปครบมากไม่ได้ถ้าไปครบกับคนที่มีกิจธุระมากจิตใจก็ไม่เกิดสมาธิจิตให้เว้นจากบุคคลประเภทนี้เสีย เราว่าคนที่มีกิจธุระมากเนี่ยก็วุ่นวายทั้งวันะจะหาความสงบไม่ได้เพราะว่าธุระมีแยะเดี๋ยวไปนูน่นเดี๋ยวมานี่เดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้หลายอยา่างแล้วก็ผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านก็คือมีจิตที่ไม่เป็นสมาธิใจฟุ้งอยู่ตลอดเราต้องเว้นจากบุคคลทั้งสามประเภทนี้คือผู้ที่ไม่เคยขึ้นสู่เนคขมะปฏิปทานี่ประเภทหนึ่ง ผู้ที่มีกิจธุระการงานมากประเภทหนึ่งผู้ที่มีจิตฟุ้งซ่านประเภทหนึ่งนักปฏิบัติต้องเว้นอย่าพบบุคคลประเภทนี้ถ้าพบบุคคลประเภทนี้เราจะไม่มีเวลาสมงกถึงไปถามข้อธรรมะต่างๆจากท่านเราก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าท่านเหล่านี้ไม่มีเนคขมะปฏิปทาแล้วก็ไม่ได้ขนขว่าไม่ได เป็นผู้ที่ว่างจากกิจธุระเพราะมีกิจธุระมากแต่ก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีสมาธิดีเพราะว่ามีจิตฟุ้งซ่านอยู่เราจะไปสแสวงหาบุคคลประเภทนี้หรือว่าควบบุคคลเนี่ยไม่ได้ถ้าบอกว่าต้องหนีให้ห่างไกลต้องอยู่ให้ไกลบุคคลประเภทนี้ที่สุดนั่นแหละเราจึงจะเกิดสมาธิจิตขึ้นประการที่เก้าให้สมาคมกับผู้ที่มีจิตมั่นคง ผู้มีจิตมั่นคงก็คือผู้ที่มีสมาธิจิตดีเช่นอย่างผู้ที่กำลังปฏิบัติแล้วก็มีความขวนขวายในการที่จะไปสู่สมาธิจิตบุคคลประเภทนี้ควรคบค้าสมาคมนี่เป็นอปนาบโพสนข้อที่เจ็ดที่แปดที่ 9. เก้าซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้เพื่อสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติ ต, ตนไปสู่สมาธิจิตอันนี้เป็น เป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องสภาวะจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยอีกวิธีหนึ่งซึ่งมนอปนาโกศล น, นี้นอกเหนือไปจากวิธีปฏิบัติดังกล่าวท่านยังมีวิธีปฏิบัติอีกว่าการน้อมจิตไปสู่คุณนั้นๆคุณที่ท่านกล่าวถึงเนี่ยคืออย่างไรการที่เราจะปักใจลงไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง โดยแน่นอนและการทุ่มเทจิตใจให้กับอารมณ์เช่นนี้เราต้องเป็นผู้ที่ไม่ผิดหวังต่ออารมณ์อนั้นด้วยเพราะว่าการที่เราทุ่มเทจิตใจไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องไม่ผิดหวังในสิ่งนั้นถ้าทุ่มเทไปแล้วเราผิดหวังก็จะเกิดความเสียหายขึ้นเราต้องพิจารณาว่าเราจะทุ่มเทจิตใจของเราไปสู่อารมณ์เช่นนี้แต่ว่าการทุ่มเทจิตไปนั้นะเราจะต้องไม่ผิดหวังซึ่งการทุ่มเทไปสู่อารมณ์เช่นนี้ มีวิธีปฏิบัติอย่างไรท่านได้แสดงไว้จะได้นำมาอธิบายให้ท่านเข้าใจในวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นี้เวลาการบรรยายก็สิ้นสุดลงแล้วจะมาขอยุติการบรรยายเพียงแท่นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายวิสุทธิทมรรคในวันนี้ อาตมาขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องฌานเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งที่ต้องบรรยายเพิ่มจากที่เคยบรรยายไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็เพราะว่าเรื่องฌานเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอยู่แม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะเป็นหาผู้ที่ได้บรรลุถึงซึ่งฌานอภิญญาได้น้อย ก็ตามแต่เรื่องของฌานก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาเอาไว้เพราะเกี่ยวกับในด้านการปฏิบัติสมาธิจิตครั้งก่อนได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องขององค์ฌานให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจโดยย่อในวันนี้จะได้พูด